ทีนี้ส่วนจิตตะชูปว่าโดยรวมๆจิตที่ไม่ทําจิตตะชูปเอาเอาเรานะไม่ไม่เอาพระอริยะมาพูดจิตที่ของเราทั้งหลายที่ไม่ทําจิตตะชูปคือทวิปัญจวิญญาณจิตสิบไม่ทําจิตตะชูปเลยขณะเห็นขณะได้ยินขณะรู้กลิ่นรู้รสไม่ทําจิตตะชูปรับกระทบโภตภะนะเฉพาะทวิปัญจซึ่งทวิปัญจะจะกล่าวละเอียดอีกครั้งในภาคบ่ายนะเพราะวันนี้เรียนถึงอริยสัจเจ็ดพอดีส่วนจิตที่เหลือก็ทํา จิตตชรูปแต่ขีดความสามารถของจิตที่ทําจิตตชรูปก็จะแตกต่างกัน น, นะถ้าปุถุชนทั่วๆไปจิตที่ทําจิตตชรูปมีกําลังมากก็คือจิต20ดวงเนีย่ยนะคืออกุศลจิต12มหากุศลจิต8เนี่ยนะอันนี้มีผลต่อจิตตชรูปเน้นที่อะไรยืนเดินนั่งนอนเนีย่ยนะหรือทําให้เกิดการหันซ้ายหันขวาการคู่เข้าการเหยียดการพูด การลูกการเดินการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวทั้งหมดเหล่านั้นเกิดจากจิต20ประเภทแต่ถ้าจะกล่าวให้จิตตรงนี้ท่านยกมาโดยเวทนาเนี่ย น, นะจิตทั้งหมดถึงจะกล่าวไปแล้วมันก็มีอะไรมีสุขมีทุก์มีอุเบกขาเพราะฉะนั้นว่ารวมๆก็ตอนไหนตอนที่สุขรูปที่เกิดตอนเกิดรูปที่เกิดจากความสุขมันก็หมดตอนที่มันมี ความสุขไม่ไปถึงท <No ุกรูปที Ay, ่มีในตอนที่มีความทุกข์ก็หมดตอนทุกข์นั่นแหละไม่ถึงอุเบกขาไอ้รูปที่เกิดตอนอุเบกขาก็หมดตอนอุเบกขาไม่ถึงสุขทีนี้บางคนมันมันอาจจะมันมีอะไรนะสุขทุกข์อุเบกขาใช่ไหมบางคนมันอาจจะทุกข์กับอุเบกขาทุกข์อุเบกขาสลับกันน่ะนะนานสุขมาแทรกทีหนึ่งบางคนก็สุขกับอุเบกขาสุขกับอุเบกขาบางคนก็ อันนั้นก็สุขทุกอุเวคขาแล้วแต่ใครน น, นก็หมุนเวียนอันนันแต่ว่าเวทนาเหล่านั้นที่มันเป็นสมุทฐานให้เกิดรูปธรรมทั้งหลายก็ถือว่าหมดในตอนนั้นๆอันนัคื อ, อรูปทั้งหลายที่เกิดจากความรู้สึกนั้นนั้นถือว่าหมดตอนนั้นนั้นไม่มีเหลือเลยการพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาโดยจิตเป็นสมุทฐานทีนี้ถ้าตอนอุตุนะ อุตุเนี่ยตอนหยาบๆเลยนะตอนที่มันร้อนๆก็ไม่ถึงตอนหนาวใช่ไหมเอากลางวันกับกลางคืนนี่เชียงใหม่มันชัดดีนะว่ากลางวันนี่ก็ไปตากแดดดูเถอะเนี่ยนะก็ร้อนหูดับเลยกลางคืนะไปอยู่ที่กุฏิดูก็ได้อ๋อวันก่อนพวกกันก็ไปเยี่ยมก็ใส่เสือ้อตัวเดียวขึ้นไปนะไปนั่งพักหนึ่งเริ่มสั่นนะก็บอกว่าได้เวลากลับแล้วมอย่านะเป็นรูปที่เกิดตอนไอ ตอนหนาวๆเย็นๆเนี่ยนะมันก็จะอาการนี้อีกอย่างหนึ่งถ้าจําได้ก็ไอ้ตัวหนึ่งที่มันชอบไปบินธบาทพระ บ, บินทบากกลับมามันจะตามไปด้วยนะตอนเย็นๆเนี่ยมันสั่นสะเทินไปหมดเลยมีวันหนึ่งโยมก็ใจดีมากเขาเอาใส่เอาเสื้อไปใส่ให้มันมันก็ใส่เสื้อมันก็ตามพระนะมันก็ลงทั้งเสื้อลงน้ำนั่นแหละนะไอ้ปกติก็เสื้อเขาไว้ใส่ให้อุ่นไงนะก็ใส่เสื้อกันหนาวอันนั้นแหละลงน้าอ่ะนะโอ้โหซับน้าอย่างดีเลยนะหนาวหนักกระเดิมอีก เพราะฉะนั้นไอ้ตอนหนาวนะรูปมันก็ถือว่าหมดไปในตอนหนาวแล้วนะนี่ถ้ากลางวันนะเกิดร้อนเหงื่อแตกเลยนะสักกี่กี่องศาก็ช่างอะกลางวันเนี่ยเดินเนี่ยเดินไปเยี่ยมไปธุระที่ไหนก็ได้ในเมืองกลางวันเนี่ยจะร้อนเกิดขึ้นมาไอ้ความร้อนอันนั้นก็จะหมดในตอนตอนร้อนนั่นแหละเพราะฉะนั้นถือว่าไอ้ตอนอันนี้ว่าอุณหภูมิภายนอกก่อนนะ อุณภูมิภายนอกอ่ะที่ที่ทำให้เกิดรูปเพราะฉะนั้นตอนหนาวก็ไม่ถึงตอนร้อนตอนร้อนก็ไม่ถึงตอนอ่ะนะเย็นร้อนนะเอาเย็นร้อนสองอย่างอ่ะนะตอนเย็นก็ไม่ถึงร้อนตอนร้อนก็ไม่ถึงเย็ น, น ม, มันก็จะหมดนะสถานที่นั้นๆ น, น, นั่นแหละอนนี้อุตุถ้าจะละเอียดนะัก็เอาอะไรก็ได้ที่มาคอยวัดดูองศ า, าในร่างกายของตัวเองตอนนี้มันเพิ่มหนึ่งองศ า, าตอนนี้มันลดเกือบองศ า, าอะไรเนี่ยก็ถ้าจะเอาขนาดนั้นก็ได้นะ หรือว่าตอนนี้สายผ้านี่อุ่นมากตอนนี้อยู่ในห้องนี้เย็นออกไปข้างนอกก็ร้อนนะจะเอาละเอียดแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเช่นตอนอยู่ในร่มอ่ะนะความเย็นที่อยู่ในร่มก็หมดอยู่ในในที่ร่มอันนี้แหละไม่ถึงออกไปกลางแจ้งไอ้ร้อนที่อยู่กลางแจ้งก็หมดกลางแจ้งอีกไม่ไปถึงนะอีกแห่งแตล่ละแห่งต่ละแห่งที่เราเข้าไปหรือถ้าไอ้อุณหภูมิที่เกิดตอนอิริยาบถเดินก็ไม่ถึงนั่งที่นั่งก็ไม่ถึงนอนที่นอนก็ไม่ถึงยืนอ่ะนะพิจารณาแบบนั้นก็ได้ แต่ว่าว่าให้จริงมันต้องพิจารณาทั้งหมดอยู่แล้วเนี่ยนะถามว่าทำไมมันต้องพิจารณาละเอียดพิจารณาหมดขนาดนั้นพออเพราะอะไรเพราะกิเลสมันชอบหมดเลยเนี่ยนะเพราะว่าวัตถุประสงค์ของวิชาหรือของการพิจารณาอันนี้เพื่อถ่ายถอนกิเลสพันกิเลสถ้ามันเกิดกับวัตถุใดวัตถุนั้นต้องเอามาพิจารณาให้มากเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่กล่าวไปแล้วมีผลต่ออภิชาตโทมนัตในชีวิตของเราทั้งหมดเลย ทีนี้พออาหารชรูปบ้างก็ว่าตอนหิวกับตอนเออเขบอกว่าอาหารเนี่ยท่านหมายถึงว่าตอนอดกับตอนอิ่มเหมนกันเถอะตอนหิวกับตอนอิ่มอนะเขาบอกว่ารูปที่เกิดตอนหิวหิวมันเป็นยังไงบ้างานะเขาเขาไม่ค่อยเจรจา ง, งานตอนที่คนกําลังหิวเต็มที่ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเขาจะให้อิ่มให้เต็มที่ก่อนนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่ารูปที่เกิดตอนหิวๆนี่จะเป็นรูปสุดโซมไม่น่าดูน่าชมก็ตอนอิ่มนี่ก็ผิวเปล่งปลั่งอะไรก็วานะ่าไปเพราะฉะนั้นไอตอนหิวมันก็หมดตอนหิวนั่นแหละไม่ถึงตอนอิ่มไอตอนอิ่มก็หมดตอนอิ่มนั่นแหละไม่ถึงตอนหิวแต่ถ้าลงละเอียดนะอาหารแต่ละชนิดจะให้เวลาไม่เท่ากันใช่ไหมแต่เช่นโดยเฉพาะตัวยาเนี่ยนะยาแต่ละอย่างมันจะมีอายุ ข, ของมันเนีย่ยเขาบอกยานี้คุมได้กี่ชั่วโมงก็วา่าไปตามนั่นไป อันนะั้นคือกลุ่มยาทั้งหลายก็คืออะไรคืออาหารเนี่ยนะว่ามันจะมีอายุแต่ละอย่างก็มีอายุอยู่เท่าไหร่อาหารแต่ละอย่างก็มีอายุอยู่เท่าไหร่เป็นต้นนะนะก็พิจารณาตามนั้นก็ได้อันนี้เรียกว่าพิจารณาความไม่เที่ยงของอาหารชรูปเนี่ยนะส่วนธรรมดารูปก็เรื่องต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยนะ ก็ไปถามอาจารย์ไวินิ้ว่าลำไยเนี้ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ละเดือนเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างอ่ะนะแต่ละปีแต่ละปีแล้วกี่ปีมันจะออกลูกแล้วกี่ปีมันจะตายเนะี่ยนะพิจารณางั้นเรียกว่าธรรมดารูปะนะหรือเอาแบบปลูกผักก็ได้ถามพวกการธนัดก็มีสวนผักหรือก็ถามว่าไอ้ผักเนี้ยถ้าหย่อนเม็ดไปกี่วันมันจะงอกงอกแล้วเมื่อไหร่กี่วันจะได้มาต้มอ่ะนะก็แล้วเมื่อไหร่จะได้ลงปลูกอีกอ่ะนะก็ความธรรมดาที่ไม่เที่ยง ถ้าไปพูดถึงช่างก่อสร้างช่างบ้านหลังนี้อยู่ได้กี่ปีนนะนะก็ถามว่าหลังนี้นะมันจะเริ่มผุตรงนั้นก่อนตรงนี้ก่อนเขาจะตอบได้หมดใช่หหรือถามคนที่ช่างรถอเงี้ยช่างรถเนี่ยเครื่องไหนตรงไหนมันต้องเปลี่ยนขึ้นบ้างตรงไหนต้องตรวจสอบเพราะาธรรมดารูปทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องมีการเสื่อมแล้วก็สลายไปหมดไปตามอายุของมันเรียกว่าธรรมดานี่นะ ไปกับผู้การก็บอกท่านท่านถนนเส้นนี้นะอย่าไปคิดว่ามั่นคงถาวรอะไรนะอีกยี่สาสปีต้องซ่อมใหม่อีกแล้วนะเหมนกันขนาดถนนที่ดูมั่นคงแข็งแรงถนนเหล่านั้นก็ยังเสื่อมสลายแล้วนะ้อมมาพิจารณาภายในแล้วกายอันนี้มันจะอยู่ได้หรืออันนี้พูดแบบนี้กันแต่ถ้ามหาหัตถีปโทรปรมสูตรที่พระสารีบุตรแสดงกับพิสูจทั้งหลายท่านบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบไปด้วยปฐวีอาโปเตโชแล วายโยังมีนะสมัยที่น้ําท่วมโลกทําให้โลกสลายเสียหายหมดเลยอย่างหนึ่งไฟไหม้โลกลมพัดทําลายโลกโลกเสียหายแตกทําลายไปหมดนะขนาดโลกที่มันยังใหญ่ขนาดนี้มันยังแตกทําลายจะกล่าวไปยัยถึงไอป้ปฐวีธาตุที่มีอยู่ในกายนี้ที่จะไม่แตกทําลายเล่าเหมงอนันนันะหรืออีกนายหนึ่งก็บอกก็สมัยนี้ที่เห็นเห็นเลยก็คือไอ้ภูเขาลูกโตๆเนี่ยนะระเบิดเกลี้ยงหมดเลยนะ และไอ้ร่างกายอันนี้ที่ประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังมันจะไม่แตกไม่ทำลายอะไรหรืออย่างง้นะก็พิจารณาปฐวีภายนอกและย้อนกลับมาภายในอย่างนี้ก็ได้หรือพิจารณาอาโปาธาตภายนอกว่ามีนะสมัยวางสมัยที่น้ำน้ำทะเลมหาสมุทรเนี่ยมันแห้งค่อยๆแห้งแห้งแห้งห้งแห้งจนถึงเหลือเจ็ดต้นตาลหกห้าสี่สามสองหนึ่งเนี่ยนะจนถึงว่า เหลือน้ําเท่ารอยเท้าโคในที่สุดทะเลนอะน้ําในทะเลนี่แห้งหมดไม่เหลือขนาดน้ํามหาสมุทรใหญ่โตขนาดนั้นยังเหือดยังแห้งได้แล้วน้ําอาโปธาตุที่มีอยู่ในกายเนี่ยเช่นน้ําบ่อน้อยมันจะเหลือได้ยังไงนาะน้ําบ่อน้อยก็อะไรน้ําลายนะนะปิดตังเสมฮังปุโปโลหิตังเสโทเมโทนะน้ําดีน้ําเลือดน้ํำสเลดน้ําน้องน้ํามันข้นน้ํามันเหลวน้ําไข่ข้อน้ําเหล่านี้มันจะเหลือได้ยังไง แต่ถ้าไปอินเดียเนี่ยนะไปเห็นพวกแม่น้ําเนรัญชราแม่น้ําอะไรตอนนี้ไม่นจะเหลือแม่น้ำแล้วนะไปดูทางทรายเนี่ยนะไปดูทรายทั้งหลายแหลเพราะฉะนั้นก็บอกว่าขนาดว่าแม่น้ําที่มันเคยกว้างด้วยลึกด้วยน้ําไหลยเยอะเอาถามว่าน้ําในเส้นเลือดของเราเนี่ยมันจะไหลได้อีกสักเท่าไหร่เชียวนะขนาดอันนั้นมันยังเหือดยังแห้งนะน้ำในเส้นเลือดของเราที่มันไหลเวียนในทั่วร่างกายเส้นเลือดอันนี้มันจะเหลือหรื อ, อก็พิจารณาน้ําภายนอกกับน้ํา ภายในอย่างนี้นทีนี้ถ้าพิจารณ า, าธาตุไฟล่ะมันมีบางครั้งไฟไหม้บ้านไหม้เมืองไหม้สารพัด ท, ที่มันจะไหม้อะนะไหม้ภายนอกอันนะแล้วไอเตโชาธาที่อยู่ข้างอขออภัยไฟข้างนอกที่มันไหม้นะเมื่อมันหมดเชื้อหมดปัจจัยไฟอันนั้นก็ถึงความหมดไปแล้วธาตุไฟในร่างกายอันนี้มันจะมีเหลือหรือเพราะฉะนั้นไอความร้อนเป็นต้นที่อยู่ในร่างกายเหล่านี้ร่างความร้อนเหล่านั้นก็ไม่มีความมั่นคงเหลืออยู่เลยนี่นายหนึ่ง แต่ถ้าเป็นวาโยธาเนะี่ยเคยเห็นไอ้พายุใช่ไหมมันพัดทีหนึ่งถ้าพัดทะเลเนี่ยเรือในทะเลก็ล่มจมตายไปเยอะถ้ามันพัดบ้านพัดเมืองเนี่ยนะบ้านเมืองนี่ถล่มทลายไปหมดช่วงปลายปลายเมษาที่แล้วที่มาเชียงใหม่นะก็มาถึงลําปางแถวแถวลำปางพอดีพวกไอปกนะปปนะ้ประตูเหล็กทั้งหลายแหละนะประตูประตูเทาเฮ้าอ่ะนะประตูเหล็กอ่ะ บอกว่าลมมันม้วนม้วนมว น, มวนหมดอ่ ะ, อะนะประตูที่ที่ริมริมถนนเนี่ยนะม้วนม้วนมว น, มว น, มว น, มวนเนี่ยเสียหายหมดถ้าเป็นอีสานด้วยนะอีกพักหนึ่งก็จะเห็นว่าลมเนี่ยมันพัดอะไรพัดหลังคาบ้านเนี่ยปลิวหายไปหมดนะนะเป็นหมู่บ้านเลยนะมันพัดไปเป็นหมู่บ้านบางทีทางทางบางแห่งเนี่ยมันจะพาต้นไม้เนี่ยล้มเนี่ยเกลี้ยงไปเลยนะเหมือนกับว่าลมระเนระนาดไปเลยอะ่ะอ่ะนะ ก็พออีกภักหนึ่งเนี่ยนะแหมลมนี่มันหายสนิทลมนี่นิ่งเงียบเลยนะจะต้องหาอะไรมาเป่านะให้ลมมันขึ้นไอ้ลมภายนอกมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ยังทําให้มันยังหมดไปแล้วธาตุลมภายในลมพัดขึ้นเบื้องบนพัดลงเบื้องล่างหรือลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันจะเหลือได้ยังไงเนี่ยนะก็พิจารณาถึงความไม่มั่นคงจีรังยั่งยืนของลมภายนอกกับลมภายในเหล่านี้อันนั้นถ้ากล่าวตามแนวมหาธิปโทปมสูตร การพิจารณาอย่างนี้ชื่อว่ารูปสตกะเนี่นยนะก็พิจารณารูปทีนี้เมื่อพิจารณานามเนี่ยพิจารณายัางไงข้อนึ่งกล า, า, า, า, าปะอันนี้ขอ้อสองย ม, มักกะ ปาติปาติโตอะไรขันนิกะโตขั้นิกะโ ต, ตก่อนปาติปาติโกโตะกะลาโตก่อนยังม่กระโตที่สงก็ไปดูเอากันแล้วกันนูน่นนะเล่มสามในตู้นู้นรูปนี้7 7ั้งเจ็ดั้นเจ็ดัพทะเนี่ยหมายถึงว่าต้องเริ่มพิจารณารูป ตั้งแต่ข้อหนึ่งจนถึงข้อสุดท้ายแบรื้ว่าเอาข้อใดข้อหนึ่งมาพิจรารณาเป็นเรื่องขคือคำถามว่าอพระท่านถามว่าจะต้องพิจอย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะจะต้องทั้งเจ็ดข้อหรือว่าข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนะอทั้งหมดเนี่ยนะจะขึ้นต้นด้วยข้อใดข้อหนึ่งก่อนเนี่ยก็ได้ แต่ว่าโดมรวยรวมรวมควรจะเอาไอ้สิ่งที่มันหยาบๆยาบก่อนมาพิจารณาหรือจะเอาแบบอนุโลมก็ได้กับปฏิโลมก็ได้อย่างนี้ก็ได้หรือเอากลางๆงเนี่ยนะเอากลางๆางแบบขึ้นลงก็ได้ก็ไม่ไม่เกี่ยงะนะคือตัวอย่างว่าหนึ 7, 7่งถึงเจดเจถึงหนึ่งหรือว่าสถึงเจดหรือว่า 4ถึง1อะไรเงี้ยก็ได้นะครับไม่ไม่ค่อยไม่เกี่ยงกันนะครับสรุปแล้วให้ไปเจริญนะครับให้มันได้เจริญเถอะใช้ได้เนี่ยทีนี้การพิจารณาอย่างที่กล่าวไปนะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาทีนี้ต่อไปว่าข้อแรกก่อนอครั้งที่แล้วมันมีอยู่7ข้อใช่ นะเรื่องรูปมันมี 1, 2, 3สเนี่ยนะข้หนึ่งก็เกิดตายตามวัยข้อแรกก่อนวิธีพิจารณาว่ า, าตัวที่ไปพิจารณาเรื่องเกิดตายเนี่ยนะก็ด้วยอำนาจของสัญญาหรือปัญญาเหล่านี้ใช่ไหมที่ไปพิจารณานะีที่ไปพิจารณารูปเหล่านี้ว่าไม่เพียงเป็นทุกเป็นอนัตตา จิต fiance, หรือสัญญาอันใหม่หรือปัญญาอันใหม่ก็เกิดขึ้นพิจารณาจิตที่พิจารณาอันนั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะอันนี้นะก็แรกก่อนอันนี้เอาจิตหรือปัญญาไปพิจารณารูปอันนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วพิจารณาจิตอันเนี้ยพิจารณาจิตอันนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะว่าเอ้ยความคิดหรือปัญญาที่ไปพิจารณานั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเหมือนกัน เ น, นะนี่ยนะนี่อย่างหนึ่งนะก็ไล่อย่างเนี้ไปเรื่อยทุกๆข้อทั้งเจ็ดหัวข้อนะเคยไหมครับว่าปกติใครที่มีปัญญาไปพิจารณารูปเหล่านั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานี่ก็ถือว่าเก่งแล้วใช่ไหมโอ้ไปนั่งไข้ครัวในขนาดนั้นถือว่าเก่งมากแต่ว่ายังไม่พอก็เอาปัญญามาพิจารณาไอ้จิตที่ไปพิจารณาเหล่านั้นว่าจิตเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเช่นว่าพิจารณารูปตามวัยเนี่ยนะ ตั้งแต่หยบหยาบไล่มาตั้งแต่สามวัยหรือว่าทุกๆ1ิปีเนี่ยนะปัญญาที่ไปพิจารณาสิ่งเหล่านั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาปัญญานี้ก็พิจารณาจิตที่พิจารณาเหล่านั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไล่มาอย่างนี้ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า <c oughs> คณ้กาโตเออเป็นกาลาปโตนะอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เรียกว่ากาลาปโตเนี่ยนะคือคว่ากาลาปะนี่แปลว่ากลุ่ม คือพิจารณาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนี่ยไล่สืบเนื่องกันไปคือพิจารณารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเสร็จพิจารณาจิตอันนั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตก็ไล่อย่างเนี้ยจนครบชุดอ่ะนะจนครบชุดถามว่าเอ๊ะแล้วนั่งคิดอย่างนี้มันมันดียังไงเขาบอกว่าถ้าถ้าจเจริญด้วยจิตที่ที่เบาอ่อนที่นิวรนไม่กลุ่มรุมนะผู้ที่จเจริญแบบนี้โดยมากจะโสมนัตเกิดขึ้นเนี่ยนะสุขเหล่านี้ถือว่าเป็นวิปัสสนาสุข ผู้ที่เจริญอย่างนี้ถูกต้องจริงๆอ่ะนะแรกๆอาจจะอาจจะไม่ค่อยคล่องอ่ะนะคืออุปมาเหมือนกับว่าทั้งแรกเลยของมาเกิดมาเป็นคนเป็นคนมานอกอยู่แล้วใช่ไหมมีครั้งหนึ่งโหทุกพี่ก็ใจายดีมากซื้อโคกให้กินขวดหนึ่งเลยใส่น้ำแข็งด้วยแล้วเราก็มากินอ่ะนะคายทิ้งเลยเขากินอะไรกัน น, นเนี่ย <laughs> มันเหมือนกับโอ้โหอะไรไม่รู้มันรีบประยัดเต็มปากไปหมดเลยนะเขากินอะไรกันไม่รู้ เห็นอร่อยเลยนะเขาบอกมันอร่อยมากเขาซื้อโคกแจกกันคืนเนี่นยนะแม่ตอนหลังไม่ได้เราก็ลองชิมไปได้ได้ติดใจอันนี้ชอบกินคคกมากเลยอันนี้บอกถ้าเขาสั่งน้ําอะไรบอกน้กําคกนะบอกว่าพูดตอนนี้ไม่เรียบเคียงแนละ้วตอนนี้ก็ไม่ดื่มไม่ดื่มน้ําอัดลมอยู่แล้วก็เลยเล่าให้ฟั ง, งนะนะแล้วก็เพราะฉะนั้นไ อ, ไอ้ลักษณะแบบนั้น น, นนะตอนแรกมันไม่อร่อยเลยนะเหมือนกับทุเรียนเ่ยนะตอนแรกก็โอ้โหใครเอาขนุนเน่ามาให้กินเนี่ยนะ ตอนหลังก็ชอบมา ก, กคล้ายๆแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไอพ้พิจารณาแบบนี้ตอนแรกๆว่าเอ๊ะมันดียังไงพอพิจารณาไปพิจารณามาก็เลยก็ดีนะถ้าถ้าไปใคร่ครวนมากๆ น, นะเพราะฉะนั้นในชั้นแรกเป็นใช่ไปเจริญหน่อยเดียวแล้วบอกไม่เห็นสนุกเลยแล้วก็เลยลเบื่อเลยมาใช่ก็ทอเจริญไประยะหนึ่งแล้วก็จะมีความสุขจากการเจริญอันนี้อันนี้ข้อแรกก่อนนะข้อ2ข้อ2ไม่มีอะไรเพิ่มเพียงแต่ว่าพิจารณา จิตอันนี้พิจารณารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและจิตนี้ก็มาพิจารณาที่พิจารณาไปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ซ้อนอย่างนี้อีกอนนพิจารณาจิตอันนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอ่นะก็ใส่ชื่อลงไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าให้คิดอย่างนี้ประมาณสิบชั้น นะรวมรวมมาสิบชั้นอ่ะนะพิจารณาจิตที่สิบด้วยดวงที่จิตที่สิอว่าไอ้จิตอันนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็บอกท่านบอกว่าเท่า น, นี้ก็พอละนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไล่รูปพิจารณารูปพิจารณานามพิจารณารูปพิจรา ร, จรณานามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเนี้นะจนจนชํานาญเลยเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็มาพิจารณาไอ้เหตุเกิดกับความดับซึ่งซึ่งยังไม่กล่าวณที่นี้เนี่ยนะซึ่งยังไม่กล่าวซึ่ง เมื่อพิจารณาอย่างนี้ทั้งหมดแล้วควรจะต่อด้วยเรื่องอความเกิดกับความดับะนะอถังคมะกับสมุทัยังค่าอัตถังคมะนี่ให้ชัดเจนขึ้นอัน น, นี้จะเล่าให้ฟังผ่านไปก่อนทีนี้ในการพิจารณาเนี่ยนะบางพวกมีอาหารการบางพวกะนะพวกนี้มะมังการมานะนี้ อาหารการที่ที่ก็อัตานะคือคนที่เจริญเนี่ยนะบางช่วงพอเจริญไปเนี่ยพอพิจารณาอย่างที่กล่าวไปบางพวกเนี่ยตันหาเกิดอย่างอายกตัวอย่างพระมหาโมคลานะนะท่านพิจารณารูปเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานะโอ้โหแมมมันเข้าใจทะลุ ป, ปรูโรงหมดปัญญาท่านแหมเรานี่ดีนะปัญญาเรานี่เก่งจริงๆเลยเหมือนน ปัญญานี่ดีมากถามว่าเหมือนอะไรเหมือนกับคนมีขวานคมๆอันหนึ่งก็ไปตัดต้นไม้นะฟันช็อปเข้าไปเนี่ยเหมือนกับตัดต้นกล้วยเลยนะเข้าไปลึกเลยนะแล้วก็พอชักขวานออกมา ก, ก็รูปคมขวานเล่นนะนะแม่ขวานเรานี่คมมากเลยนะ น, นะคือลักษณะนั้นอนะ่ะพวกตันหามานะทีท่ิเกิดมันจะลักษณะนั้นเข้าใจว่าโอ้โหปัญญาที่เราไปพิจารณาเนี่ยเก่งมากคนอื่นนี่สู้เราไม่ได้เราพิจารณามากกว่าคนอื่น หรือว่าแม้ตัวเราเนี่ยเก่งจริงๆอ่ะนะก็ชื่นชมลักษณะนี้เป็นตัญหามานะและก็ทิท่ิที่ไปเพลิดเพลินในในความคิดหรือปัญญาที่ไปพิจรารณาเียนะหรือพูดอีกในหนึ่งแม้ชั้นนี่เก่งมากชั้นนี่มีปัญญามากเพราะจริงๆก็ตัญหามานะ ท, ที่ที่ไม่ควรเข้าไปคิดแบบนั้นคิดยังไงไอความคิดอันนั้นก็นหมที่งเป็นทุกเป็นอนัตตาเหมือนกันอีกนั่นแหละอันนะ อันนี้เคเรียกว่าพิจารณารูปสัตตะกะและอรูปสัตตะกะเนี่ยนะก็ไปนนะหาส ป, ปายะแล้วก็ไปเจริญดูเนี่ยใครได้ส ป, ปายะเจริญก็อนุมโมทนาด้ว ย, ยนะการเจริญอย่างนี้แหละเป็นอีกวบโพธิ์หนึ่งของการคำว่าเจริญอันิจจะสัญญาเนี่ยนะเพราะพวกนี้ต้องต้องเจริญขึ้นเน่ยนะ ส่วนผู้ต้องการรายละเอียดแบบพิสดารทั้งคำอธิบายได้ก็ดูในวิสุทธิมัชสมั ส, มมสนายานหรือว่าก่อนที่จะถึงมัคคามัคคายานัศนะวิสุทธิเนี่ยนะก็ไปดูเอาวิสุทธิมัชภาค3ตอนจบมีการพิจารณาว่าปัญญาไม่เที่ยงบรรทุกปัญญาจารเขาไม่ค่อยใช้ศัพท์นี้นะครับ คือคือโดยอัถฐมีแต่ว่าโดยพยัญชนะไม่ใช้สับอันนี้เพราะว่าสับอันนี้เนี่ยนะครับคือการใช้คำของพระพุทธเจ้านะครับเช่นศรัท ธ, ธากลุ่มที่อีกสั์หนึ่งก็คือกลุ่มโสภณะโสภณธรรมนะครับประกอบไปด้วยศรัท ธ, ธาฮิริโอตตะอโลพาอโทสะหรือว่ากลุ่มเมตตากลุ่มปัญญา ที่ที่เป็นกุศลทั้งหลายแหละจะไม่บอกว่าพวกนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาจะไมอ่อยูู่แล้วจะพุทธพจน์จะไม่ยกขึ้นมาแบบนี้เลยว่าเออสติไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาปัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะว่าไอคนประเภทเนี่ยนะครับคนที่นิสัยโกงเนี่ยมันจะเอาคําพยัญชนะเหล่านั้นนะมาอ้างกันเล่นก็ปัญญามก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานะก็จะมาใช้คํา เรียว่าเกลในคําที่ไม่ควรคำไม่ควรใช้แต่พระองค์จะใช้ลักษณะนี้ว่าเช่นโสภณธรรมหรือฌานอันเนี้ยที่ประกอบไปด้วยใช่ไหมวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาฌานและสัมปยุตธรรมเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาจะใช้รวมจะไม่แยกมาใช้ว่าสติไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาปัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่ใช้อย่างเมื่อกี้ท่านจะไม่ใช้คําว่าปัญญาเลยนะครับท่านใช้คําว่าจิต ว่าจิตที่ไปพิจารณานั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็รวมทั้งปัญญาด้วยนั่นแหละแต่จะไม่ยกไม่ยกขึ้นมาโดดเพราะคนบางคนจะเข้าใจผิดเปัญญาก็ไม่เที่ยงไม่รู้จเจริญไปทําอะไรอย่างเงี้ย น, นะครับ ก, ก็คนที่ไม่ดีก็จะได้ช่องนั่นนะมันก็ไปหานะครับใครหาเจอบ้างว่าสติไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีไห ม, ไมเคยเคยได้ยินไหมคุณหมอมาลบอ่านพบไหมยังไม่พบเลย มาแน่นะพยายามช่วยๆเก็บถ้าใครอ่านเจอพยัญชนะลักษณะนีนะ้ช่วยมาบอกไว้ทีเนี่ยนะแต่ว่าเท่าที่อ่านๆนะไม่ชินตาเลยว่ามีพยัญชนะเหล่านี้แต่สมัยใหม่กลับมาใช้มากเนี่ยนะสมัยนี้มาใช้ถามว่าเมื่อใช้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นพยัญชนะไหนที่พระพุทธเจ้าไม่ไม่บัญญัติไม่แสดงเนี่ยเมื่อคนอื่นมาใช้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ คําสอนของพระพุทธเจ้ามันจะมีอยู่อย่างที่เราเรียนมาในบทว่าสามมาสามพุทโธใช่หมหนึ่งอภินญ ย, ยะรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งปรินญะกำหนดรู้สิ่งที่ควรกรำหนดรู้เนี่ยนะปหานะละสิ่งที่ควรละแล้วก็ทให้แจ้งเนี่ยนะสัตชิกาตัปภะทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งแล้วก็ ภาเวตภาเนี่ยนะเจริญในสิ่งที่ควรเจริญคือนิยามของคําสอนว่าโดยรวมๆเนี่ยจะต้องเข้ามาในหลักอันนี้คําพูดใดถึงถูกแต่ไม่ก่อให้เกิดการเจริญธรรมมาห้าประการ น, นี้พระองค์จะไม่แสดงเนี่ยนะทั้งๆ ท, ที่สิ่งนั้นะถามว่าจริงไหมจริงแต่ว่าจะไม่เอามาแสดงเนี่ยนะไม่เพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรคือเราไม่ก่อให้เกิดโดยเฉพาะ อานะถ้าขึ้นต้นมาปัญญาไม่เที่ยงสติไม่เที่ยงวิริยะไม่เที่ยงเนี่ยนะสมาธิไม่เที่ยงอานะอะไรอีกอานะกลุ่มเนี้ยกลุ่มกลุ่มพาเวตาปธรรมนะขึ้นต้นพวกนี้ไม่เที่ยงหมดเลยนะใช่เพราะอีกไม่นานคุณก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเมื่อว่ากุศลเหล่านี้ไม่เกิดนะคุณจะตกนรกมันไม่เที่ยงเนี่ยนะถ้าจะว่าให้ต่อให้เต็มนะต้องว่าแบบนั้น ทีนี้เมื่อสัญญาหรือปัญญาที่ไปเจริญอย่างที่กล่าวไปเรียกว่าทัวในครั้งหนึ่งเรียกว่าอานิจจสัญญาเนี่ยทีนี้เมื่อผู้ที่เจริญอนิจจาสัญญาเนี่ยเจริญแบบนี้ไม่เพียงพอที่จะละสมมตินะว่าถ้าบางคนนะสำหรับบางคนเนะี่ย ยังไม่พอที่จะละสมุทัยยังไม่พอที่จะทำนิโรธให้แจ้งสรุปว่าไม่พอที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจพระองค์ก็บอกว่าควรเจริญอนัตตสัญญาต่อไปเนี่ยนะอนัตตสัญญาก็คือความเป็นณัตตาอนัตตานี่ข้อสั์นะ ไม่ใช่อาตาันะตนานแปลว่าไม่ใช่ปฏิเสธไม่ใช่อาตาัตนาเรียกว่าอนัตตาเขาก็มีการยักย้ายอักษร น, นําหน้านําหลังกันนิดหน่อยนี่นะน่อันตนาอนัตนะคือไม่ใช่อาตาัตนาเรียกว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่อัตนาเนี่ยคืออะไรบ้างคาว่านิยามของอัตนานี่เป็นยังไงถ้าอัตนาแบบเดียร์ถีขึ้นคิดขึ้นนะหนึ่งต้อง เที่ยงต้องสุขต้องอยู่ในอำนาจของการบังคับบัญชาเนี่ยนะหรือมีผู้เข้าไปดูแลเข้าไปจัดการในสิ่งนั้นๆได้อันนั้นนิยามของอัตตาที่ที่พวกเดรธีคิดขึ้นแต่ว่าสิ่งแบบนั้นไม่มีอยู่จริงสิ่งนั้นเลยเรียกว่าอนัตตาสิ่งที่เป็นอนัตตาคืออะไรบ้างท่านก็แบ่งเป็น อ, อายาตนะภายในกับ ภายนอกเนี่น네 mean, like ยนะภายในเรียกว่าจ <harmless. S 2> ักวายตนะเนี่ยนะจักระยตนะก็คือจักขุบวกอายตนะเรียกว่าจักขวยตนะเนี่ยนะอายตนะคือตาอายตนะคือรูปอายตนะคือหูอายตนะคือเสียงอายตนะคือจมูกอายตนะคือลิ้นอายตนะคือจมูกก็กลิ่นเงครับ สายเมาอันนี้ินเนอร์ยตนะคือล้นอายตนะคือรสอายตนะคือกายอายตนะคือโพธิภาพอายตนะคือมโนยตะคือธรรมะเน่นนะคว่าเป็นอนัตตาอย่างที่กล่าวไปว่าไม่ใช่อัตตานี่ย น, นะหรืออีกสำนวนหนึ่งอย่างที่เราคุณนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็น ทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาหรือนิยามอีกคำหนึ่งของอนัตตาคือบอกไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นอนัตตาหรือสิ่งที่มันเป็นทุกสิ่งนั้นแหละมันคืออนัตตาเ น, น, นะทีนี้พระองค์อุปมาบางสูตรอุปมาว่าอายตนะภายในนี่เหมือนเหมือนอะไรเรือนว่างอนนะเรือนว่างเรือนเปล่าหรือว่าของศูนย์ ศูนย์ตัวนี้เนี่ยมาจากศูนยะนะไม่ใช่ศูนย์แบบแบบแบบศูนย์กลมๆนะศูนย์กลมๆเนี่ยมันหมายถึงศูนย์ที่ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรในอย่างนั้นเลยเรียกว่าศูนย์ศูแบบศูนย์แบบอย่างนี้ใช่ไหมมีอะไรกระดันไหมอย่างย์ไสอนศูนย์แบบนี้แปลว่าศูนย์แบบไม่มีอะไรศูนย์แบบนัตถิตาเนี่ยนะแต่อันนี้มันศูนย์แบบศูนยะตาแปลว่า สิ่งนั้นมีเช่นว่าหม้อศูนย์หรือหม้อเปล่าเนี่ยถามว่าหม้อมีไหมมีแต่มันไม่มีอะไรอยู่ในหมอ้อรถเนี่ยว่วงวางถารถเนี่ยว่างนะไม่ใช่รถไม่มีแต่ว่าไม่มีใครอยู่ในรถบ้านเนี่ยบ้านร้างหรือบ้านว่างบ้านมีแต่ว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านอันนั้นสุญญตาเนี่ยนิยามเป็นลักษณะนั้นเนี่ยนะไม่ใช่ศูนย์แบบกล ม, กลมๆมันนะ เาันจักสูนี่เป็นของศูนย์เนื่องจากว่าศูนย์เนื่องจากว่าไม่มีใครอยู่ในจักสูเลยเนี่ยนะไม่มีสัตว์อะไรอยู่ในจักสูเลยเมื่อแยกวิเคราะห์เจาะลึกค้นไปขนาดไหนก็จะไม่เจออะไรอย่างที่คนพานเขาคิดเลยเนี่ยนะไม่มีอะไรแบบคนพานคิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีอะไรก็มีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นที่อยู่ในจักสูเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าเป็นอนัตตา